จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทโอบาสุโอบาสิกาผู้ใฝ่ธรงมทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กสิบกกราคมพุทธศักราชสองพันห้าห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันทำวัดสวนาวันฟังธรรมวัน ทำบุญละบาตรชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปประโยชน์สุขหรือกความทุกความเดือดร้อนความวุ่นวายใจ เป็นผลที่เกิดจากการกระทมทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทำบุญละ บ, บาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้ความสุขได้ความเจริญถ้าไม่ทำบุญไม่ละ บ, บาปไม่ชำระใจให้สรอาก็จะทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจวุ่นวาย ทำให้ใจทุกข์ทรมานมผลเกิดจากเหตุคือการกระทำของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้มาทําบุญมาลา บ, บามาชำระใจให้สหาดบริสุทธิ์เพราะไม่มีทางอื่น ที่จะทำให้เราได้ความสุขได้ความเจริญอย่างแท้จริงทางอื่นเป็นความสุขความเจริญชั่วคราวเช่นทางแห่งลากยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวชั่วในขณะที่มีร่างกายนี้อยู่หรือในขณะที่ร่างกาย สามารถทำอะไรต่างๆได้แต่พอร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้ความสุขความจเจริญต่างๆก็จะหมดไปเช่นเวลาอายุ60ปีถ้ารับราชการเขาก็ให้ปลดออกจากราชการเกษียณอายุ มีตำแหน่งสูงกับขนาดไหนก็ต้องหมดไปเงินเดือนที่ได้มากมายขนาดไหนก็ต้องหมดไปได้รับแต่เบี้ยบำนาญพออย่างชีพไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือทางของความสุขความจเจริญชั่วคราวแต่ทางที่พระเจ้าทรงสอน ให้ปฏิบัติให้แบบ น, น, นี้เป็นความสุขความเจริญที่ถาวรเพราะไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปกับความเสื่อมของร่างกายเพราะการกระทำที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำนี้จะติดอยู่กับใจใจจะเป็นผู้รับผล และเวลาร่างกายตายไปใจก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายผลที่ได้รับจากการทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดก็ยังอยู่ติดกับใจใจสามารถเอาติดตัวไปได้คือความสุขใจความเจริญของใจที่พัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากการเป็นมนุษย์ ก็ก้กาวขึ้นสู่การเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายอยู่ที่ใจเป็นที่ใจเกิดจากการทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทา ท, ทำบุญละาบาป ชำระใจให้สะอาดถ้าไม่ทําก็จะเดินไปสู่ทางของอบายก็คือจิตใจก็จะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ก็จะเสื่อมไปเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานก็ไปเป็นผีจากผีก็ไปเป็นเปรตจากเปรตก็ไปเป็นนรกนี่คือ ทางที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจให้สหอารบริสุทธิ์นี่คือกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นมาผลเกิดขึ้นมาอยู่ที่กายกระทา ไม่เชื่อแล้วทำบาปก็ต้องได้รับผลเชื่อแล้วทำบาปก็ได้รับผลเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่การกระทำหรือไม่กระทำแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำบุญไม่ทำบาชั่นละใจให้สะอาดผลก็จะเกิด คือความเจริญของจิตใจขึ้นไปตามลาดับดังนั้นความเชื่อและไม่เชื่อนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงผู้ที่ไม่รู้ความจริงก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้ถ้าไม่เชื่อผู้ที่รู้ก็จะไม่กระทำตามสิ่งที่ผู้รู้สอนก็จะไม่ได้รับผล ตามที่ผู้รู้สั่งสอนผู้รู้ก็เป็นเหมือนผู้ที่มีดวงตาส่วนที่ไม่บอดส่วนผู้พวกเหานี้ที่ยังไม่รู้เป็นเหมือนพวกคนตาบอดเรามองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นใจผู้ที่จะไปรับผลของการกระทาของตน มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เห็นเพราะว่าท่านได้เปิดตาของท่านเปิดตาในเปิดตาใจใจที่พวกเราตอนนี้ถูกความมืดบอดปิดบังอยู่คือความหลงความหลงก็คือการเห็นผิด เป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นกับตาละบาทเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะเห็นแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเห็นร่างกายที่ตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครจะไปรับผลของการกระทำ ของร่างกายใจต่างหากเป็นผู้รับผลเพราะใจเป็นผู้กระทำโดยสั่งผ่านทางร่างกายเช่นเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรใจเป็นคนสั่งใจเป็นคนพูดใจเป็นคนทำด้วยความคิดคิดว่าจะทำบุญก็ได้สั่งให้ร่างกายไปซื้อข้าวซื้อของ แล้วก็มาทำบุญคิดจะละบาปก็ตั้งใจสมาทานศีลห้าจะไม่ทํบบาปในวันนี้ใจเป็นผู้สัง่งใจเป็นผู้กระทาโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับมีดที่เราใช้ เอาไปทำประโยชน์หรือทำโทษก็ได้เราเอามีดไปตัดต้นไม้ไปถางหญ้าไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเอามีดไปทำร้ายผู้อื่นก็จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาแต่โทษไม่ได้อยู่ที่มีดอยู่ที่คนทำ เวลาตำรวจจับตำรวจไม่จับเอามีดไปขังคุกขังตารตางตำรวจจับเอาคนที่ทำร้ายผู้อื่นไปขังคุกขังตารางฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมีดใจก็เป็นเหมือนร่างกายแต่เรามองไม่เห็นใจเราก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำร่างกายต้องเป็นผู้รับผล ก็รับผลได้เพียงในขณะที่มีชีวิตอยู่เช่นเวลาไปทำร้ายผู้อื่นตำรวจก็จับร่างกายไปขังไว้แต่การขังร่างกายนี้ก็เท่ากับขังใจด้วยเพราะใจอยู่กับร่างกายใจจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้เพราะร่างกายถูกขังอยู่ ใจก็เลยถูกขังไปด้วยเว<อ>ลาถูกขังนี้ร่างกายไม่ได้ทุกข์แต่อย่างใดผู้ที่ทุกข์คือใจใจไม่ชอบถูกกักขังใจชอบไปนู่นมานี่ชอบไปหาสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ได้ทำ<อ>ก็เกิดความไม่สบายใจ เกิดความเศร้าขึ้นมาความเศร้านี้ก็ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเกิดที่ความอยากของใจเวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมาเวลาอยู่คนเดียวอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปเที่ยวพอไม่ได้ไปก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมา แต่ถ้าไม่ได้มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปหาเพื่อนอยู่คนเดียวก็จะไม่เศร้านี่คือใจเป็นผู้รับผลของการกระทำของตนทั้งในขณะที่ร่างกายยังไม่ตายและขณะที่ร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแนละ้วใจก็จะต้องไปรับผลต่อ ผลบุญก็ไปเลื่อนอันดับของภพชาติไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าถ้าทำบาป ก, ก็ไปเลื่อนลงไปสู่ภพชาติของเดาชะฉานของเปรตของผีของนรกใจเป็นผู้ไปใจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรา เหมือนกับกระแสวิทยุกระแสคลื่นวิทยุที่มีอยู่รอบตัวเราขณะ น, นี้เราไม่รู้ว่ามีคลื่นอะไรอยู่บ้างแต่ถ้าเรามีเครื่องรับวิทยุมีเครื่องรับโทรศัพท์มือถือพอเราเปิดเราก็จะรู้เลยว่ามีคลื่นหรือไม่มีคลื่นแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใจของเราก็เป็นเหมือนสัญญาณคลื่นวิทยุนี่เองที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นคุณสมบัติใจนี้เป็นผู้รู้มีผู้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนึกไปคิดไปแล้วก็เกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างตามความคิดของตน บางวันคิดไม่ดีก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้บางวันคิดดีก็หัวเราะเอิกอาดีอกดีใจอยู่ที่ความคิดของตนถ้าคิดไม่ดีใจไม่สบายก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นเวลาอารมณ์ไม่ดีเจอใครก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดี พอทำไปแล้วก็จะเกิดผลไม่ดีตามมาถ้าไม่ทำก็ไม่มีผลตามมาถ้าไม่อยากจะให้ผลไม่ดีตามมาก็อย่าไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพยายามคิดดีพูดดีทำดีวิธีที่จะคิดดีพูดดีทำอย่างไรพระเจ้าสอนว่าให้คิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดเช่นคิดด้วยความเมตตา คิดด้วยความเมตตาแปลว่าอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดีต่อผูอ้มีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์วิธีถ้าเราคิดดีเวลาเราเจอคนเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขาสบายดีหรือกินข้าวหรือยัง เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือได้หรือไม่หรือมีของข้าวขนมนมเนยที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งกันแบ่งให้แก่ผู้นี่เรียกว่าคิดดีปรารถนาดีอยากให้ผู้มีความสุขเราก็จะพูดดีวาจาก็จะไพเราะสุภาพการกระทําก็จะเรียบร้อย หน้าดูหน้าชมผู้อื่นเห็นก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความรักความชื่นชมในตัวเราขึ้นมาเพราะเราคิดดีพูดดีทำดีเวลาผู้อื่นทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมนี่คือ คิดด้วยความเมตตาถ้าเราคิดด้วยความเมตตาแล้วเราจะมีความสุขผู้อื่นก็จะมีความสุขอา น, นิสงส์ของเมตตาก็มีหลายประการด้วยกันเช่นตื่นก็จะมีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะไม่ตายด้วยสตราวุธต่างๆหรือยาพิษเคยจะไม่ถูกผู้อื่นเขาฆ่าด้วยปืนด้วยมีดด้วยยาพิษเพราะไม่มีใครเขาโกรธเกลียดเรานั่นเองเพราะการกระทําของเรามีแต่จะทําให้เขารักเราเขาจึงไม่ทําร้ายเราตายไปก็จะไปสู่สุคติ ไปเป็นเทศไปเป็นพรงไปเป็นพระอริยาจา้านี่คืออนิสง์ของการมีความเมตตาคิดส่วนที่สองคิดอย่างที่สองที่สอนให้คิดก็คือให้มีความสงสารเวลาเราเห็นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนควรมีความสงสารคือความอยากจะให้เขา พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนเห็นเขาไม่มีข้าวกินก็หาข้าวมาเลี้ยงเขาเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็หาเสื้อผ้ามาให้เขาเห็นเขาไม่มีที่อยู่อาศัยก็จัดหาที่อยู่อาศัยให้เขาอยู่เห็นเขาไม่สบายก็พาไปหาหมอหาอยู่ขายยามาดูแลรักษาเห็นเขามีความทุกข์ใจ ก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาให้เขาได้รับรู้ถ้าเขาสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ความทุกข์ใจของเขาก็จะหายไปได้นี่คือความคิดที่เรียกว่าคิดด้วยความการุณาคือสงสารผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราอยู่ดีกว่าเขากินดีกว่าเขาเราควรที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาได้อยู่ดีกินดีแบบเราบ้างอย่างญาติโยมมาวัดนี้ก็มาด้วยความสงสารเพราะถ้าไม่มาไม่ใส่บาปพระก็จะไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินก็จะหิวโหวยจะอดอยากจะลาบากจะไม่สามารถ ศึกษาหรือปฏิบัติทำทำตามหน้าที่ของตนได้ญาติโยมมีความสงสารพระเดชจึงได้ขนเอากับข้าวกับปลาของขาวของหวานอาหารต่างๆมาถวายพระนี่ก็เรียกว่าความสงสารความสงสารนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ให้ความสงสารนี้มีความสุข ใจจะสดชื่นเบิกบานเวลาได้ช่วยเหลือใครแล้วใจจะมีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจมีความภูใจถึงแม้จะไม่ได้กินข้าวอดข้าวก็จะไม่เดือดรอ้อ <Yeah. S 1> นญาติโยมบางท่านเวลามาทําบุญแล้วมีความอิ่มใจสุขใจถึงกับไม่กินข้าวก็มี <Yeah. S 1> หรือถ้ากินก็กินเพียงมือม้อกลางวัน หลังจากเย็นไปแล้วก็จะไม่กินนี่คืออนที่ส์ถ้าเราไม่มีความสงสารไม่ได้ทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นใจเราจะไม่อิ่มพอไม่อิ่มก็จะไม่สามารถรักษาศินที่สูงกว่าศินห้าได้ก็คือศินแปผู้ที่จะรักษาศินแปได้นี้ใจต้องมีความอิ่มที่เกิดจาก การได้ทำบุญทำทานได้สงเคราะห์ผู้ได้ช่วยเหลือผู้เรานวจะเกิดความอิ่มใจทําให้อดอาหารได้ถ้าอดอาหารได้ก็จะทําให้ปฏิบัติธรรมได้เพราะถ้ากินมากๆร่างกายมันจะมันจะอิ่ม แล้วมันจะอยากจะนอนมันจะมีความเกียดคร้านจะให้นั่งสมาธิก็ไม่อยากนั่งจะให้เดินจงกรมก็ไม่อยากเดินจะให้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่อยากฟังอยากอย่างเดียวก็คืออยากจะหาหมอนนี่คือผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป ญาติโยนที่หัดนั่งสมาธิแล้วชอบสับสงบชอบหลับก็ขอให้รู้ไว้ว่ากินอาหารมากเกินไปผู้ที่จะนั่งสมาธิได้ผลดีส่วนหนึ่งก็คือต้องรับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นรับประทานมันละมื้อนี้ถือว่าพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป รับประทานหนึ่งมือนี้ร่างกายไม่ตายร่างกายไม่หิวที่หิวคือใจถ้าอยากจะทำให้ใจอิ่มก็ต้องทำทานท่านถึงสอนให้ทำทานก่อนทำทานแล้วก็รักษาศีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้ก็จะนั่งสมาธิได้ก็จะไม่ว่วนนอนจะไม่ขี้เกียจ ฟังเทศฟังธรรมได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้จะเลินสติอย่างต่อเนื่องได้จะไม่เผลอได้ถ้ากินอิ่มแล้วจะเผลอได้จะหลับเวลานั่งก็จะหลับเวลาเดินก็จะเดินไม่ไหวก็จะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้ใจจะสะอาดได้นี้ต้องอยู่ที่การ เดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบเดินจงกรมเพื่อพิจารณาปัญญาให้เกิดความฉลาดความรู้ความสว่างที่จะมาดับความหลงที่หลอกให้ไปเดินทางไปในทางที่ผิดเดินทางไปในทางแห่งลาบยศสรรเสริญ ส, สุข ที่เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะเห็นท่าอีกทางหนึ่งทางที่ไปสู่ความสุขความเจริญที่ถาวรก็คือทางออกจากการห า, รารลายศสรรเสริญทางสู่ความสงบทางสู่สันติสุขคือออกอยู่แบบนักบวช ไม่หาลาบยศสารเสริญไม่หาความสุขทางร่างกายเพราะมีปัญญารู้แล้วว่าหน่งทางไปผิดทางไปไม่ถึงไหนเป็นทางวนวนอยู่นั่นวนอยู่วนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไปทางลาบยศสารเสริญไปทางความสุขทางตาหูจมูกิืนกาย ใจก็จะวนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากยังไม่ตายไปกับร่างกายความอยากหาลาภยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่ตายก็จะลากใจให้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาลาภนบสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแต่ถ้าได้ทำทานได้รักษาศีลแปดได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใจเห็นว่าทางนี้เป็นทางที่เป็นทางของความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่ได้จากความสงบไม่เสื่อมไปกับร่างกาย แล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นถ้าป ฏ, ปฏิบัติธรรมไปใจสงบใจใจะเห็นความจริงว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวร อยู่ที่ความสงบของใจถาวรอนเพราะอะไรเพราะใจไม่ตายเหมือนกับร่างกายร่างกายตายความสุขทางร่างกายพอร่างกายตายไปความสุขทางร่างกายก็หายไปแต่ความสุขทางใจไม่หายแม้ไม่มีร่างกายอยู่ความสุขทางใจก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาอย่างความสุขของพระพุทธเจ้า ของพระอาหารหันต์ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นโทรศัพท์มือถือหรือคลื่นวิทยุที่มีอยู่รอบตัวเราได้ฉั้นใดใจของแต่ละดวงก็เป็นเหมือนกับคลื่นโทรศัพท์มือถือคลื่นวิทยุ เรามองไม่เห็นกันแต่ถ้าเรามีเครื่องโทรศัพท์มีทิปมีโทรทัศน์มีวิทยุเราเปิดรับได้สัญญาณต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้อันใดถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะเห็นตัวใจเห็นตัวเราเราก็จะรู้ว่าตัวนี้มันต่างกับร่างกายเป็นคนละคนกัน เราจึงรู้ว่าผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือตัวนี้แหละคือตัวใจตัวรู้นี่เลยตัวนี้แหละที่จะไม่ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปรับผลของการกระทาของตนสุขหรือทุกข์ถ้าทำบุญละบาปทำละใจก็ได้ความสุขเป็นปรมังสุขขั้งในที่สุดถ้าไม่ทำบุญไม่ละบา ไม่ทำละใจให้สะอาดก็จะต้องไปทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นนรกเกิดเป็นอสุรกายหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องแก่เจ็บตายอันนี้จะรู้ได้ว่าใจมีจริงกรรมมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดไม่จริงถ้าสามารถทำใจให้สงบได้เข้าสู่สมาธิได้ก็จะรู้ความจริงแล้วก็จะเอาความจริงอันนี้มาสอนใจมาเตือนใจว่าอย่าไปทางของราบยศสรรเสริญสุดให้ไปในทางของสันติสุขคือความสงบทางใจพอมีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงทาง ก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขความเจริญที่สูงสุดได้ก็คือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปถึงแล้วแล้วได้นำเอาความรู้นี้มาสอนพวกที่ไม่รู้อย่างพวกเราต่อไปพอพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธามีความเชื่อ น้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะไปถึงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวไปถึงได้อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราจงมีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามปฏิบัติบําเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ได้คือทําบุญลางบาปําล้าใจให้สะอาด